รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่22ดูทีไรเสียดายทุกทีกรณีเฉพาะตนของโสมนัสอาชีพพักงานทางโลกลักษณะางานที่ทำเพียรเพื่อผลถุก ถามแรกเมื่อให้ของใหญ่กับใครเป็นทานบางทีเห็นจิตแสดงความชื่นชมยินดีแต่พอรู้สึกถึงความชื่นชมยินดีก็กลายเป็นเฉยไปการเห็นแบบนี้ควรเข้าไปแทรกแซงไหมบุญจะหายไปหรือไม่บุญอันเกิดจากการให้ทานก็ส่วนหนึ่งภาวะของกุศ ล, ลจิตก็อีกส่วนหนึ่ง แม้จะเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ก็เป็นธรรมชาติคนละชนิดกันครับภาวะของกุศลจิตหายไปได้ในเวลาครึ่งนาทีแต่ถ้าบุญแรงจริงและไม่หายไปไหนจะยังคงเป็นเงาตามคุณไปเป็นร้อยเป็นพันปีจนกว่าจะถึงเวลาให้ผลจนหมดกำลังในการให้ทานนั้นเงาของบุญเริ่มต้นก่อตัวขึ้นตั้งแต่มีเจตนาจะให้ทานเมื่อเจตนานั้นเป็นกุศล ก็ย่อมบันดาลจิตให้เป็นกุศลตามไปด้วยกล่าวคือจิตมีความสุขมีความแช่มชื่นมีความรู้สึกว่าสว่างตั้งแต่ตั้งใจจริงที่จะให้แล้วจากนั้นเมื่อเกิดกิริยาทางกายคือมีการนำทรัพย์สินหรือของใช้อันได้มาโดยชอบธรรมยกไปยื่นให้ผู้ควรรับกับทั้งประกาศเจตจำนงยกให้เปล่ า, ลาด้วยความคาดหวังว่าเขาจะนำไปใช้ประโยชน์ แล้วเขารับของนั้นไปโดยดีอย่างนี้ถือว่าบุญสำเร็จแล้วทานบารมีเพิ่มขึ้นแล้วต่อให้จิตไม่แช่มชื่นนักทานที่สำเร็จก็ถือว่าเป็นบุญเต็มขั้นอยู่ดีแต่หากจิตมีความแช่มชื่นสมนัดไปด้วยบุญนั้นก็จะยิ่งแรงเต็มที่และยิ่งแช่มชื่นขึ้นเท่าไหร่ ใจก็จะยิ่งกว้างขวางขยายขอบเขตบุญให้ยิ่งกว้างและมีคุณภาพดีขึ้นเป็นทวีคูณสรุปคือการให้ทานอันเป็นภายนอกนั้นถือเป็นการประกอบบุญที่สำเร็จเมื่อจบกิริยาให้ของและรับของฉะนั้นแม้เห็นความแช่มชื่นแล้วความแช่มชื่นหายไปบุญก็ไม่ได้หายไปแต่อย่างใดเลยประเด็นที่ควรพิจารณา น่าจะเป็นลักษณะของสติมากกว่าครับเมื่อรู้อารมณ์ใดๆที่เกิดขึ้นกับจิตแล้วเหมือนภาวะอารมณ์นั้นเบรกกึกคล้ายมีอะไรไปยับยั้งให้สะดุดหยุดลงทันทีอันนั้นให้สันนิษฐานว่าคุณมีอาการตั้งใจจดจ้องไม่ใช่อาการสักแต่รู้ถ้าเป็นสักแต่รู้คุณจะปล่อยตามสบายทุกภาวะอารมณ์ยังคงปรากฏตามปกติ ล้วค่อยๆแผวหายไปทีละน้อยเหมือนพยับแดดจางตัวหรือกว่าจะหายไปอาจกินเวลาเป็นนาทีดังเช่นภาวะปิติโสมนัดแรงๆจากการช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากสำเร็จหรืออาจจะไม่หายไปเลยด้วยซ้ำดังเช่นปิติสุขในสมาธิระดับฌานหรือเฉียดฌานรู้อย่างไรก็ปรากฏคงที่สม่ำเสมอจนกว่ากำลังสมาธิจะอ่อนตัวลง สังเกตดูจะรู้สึกได้ถ้าจดจ้องจะเหมือนคุณยื่นหน้าไปดูชิดชิดแต่ถ้าสักแต่รู้จะเหมือนปักหลักอยู่กับที่และมองเฉยในฐานะผู้สังเกตการห่างๆเพื่อให้นำไปเป็นเครื่องเจริญสติได้จริงเรื่อยๆผมขอยกเอาทานอีกประเภทหนึ่งมาแสดงนั่นคืออภัยทาน การให้อภัยเป็นทานจัดเป็นบุญใหญ่อย่างหนึ่งมีต้นเขาจากการถูกใครหรือสิ่งใดกระทําให้เจ็บตัวเจ็บใจกิริยาแห่งบุญที่เกิดขึ้นคือมีเจตนาสละความบาดหมางทิ้งไม่ผูกใจเจ็บต่อแล้วกล่าวทางวาจา ว, ว่ายกโทษให้เพียงเท่านั้นบุญก็สำเร็จแล้วไม่ว่าเขาจะได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ตาม และไม่ว่าเขาจะพลอยโล่งใจกับเวรที่ระ ง, งับลงไปด้วยหรือไม่ก็ตามหรือถ้าคุณเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่กลับกลอกยอกย้อนไปยอกย้อนมาแค่ตั้งจิตเป็นอภัยเลิกแล้วต่อกันไม่จองเวรต่อกันอีกบุญก็สำเร็จได้ด้วยจิตล้วนๆ น, นั่นเองไม่ต้องเจอหน้าเขาไม่ต้องเอ่ยเป็นวาจาหรือทำพิธีรีตองใดๆด้วยซ้า หากคุณสังเกตเข้าไปจะพบว่าถ้าแรงบันดาลใจให้คิดอภัยต่างกันปิติสุขและความโปร่งเบาแห่งจิตก็ต่างไปเช่นถ้าผู้กระทําให้คุณเจ็บใจมาขอขมาและคุณใจอ่อนยอมอภัยแต่โดยดีก็จะเบาหัวอกระดับหนึ่งแต่อาจยังมีความขุนคล่องคาอยู่เล็กๆแต่หากไม่มีใครมาขอขมาไม่มีเหตุภายนอกใดๆมาดนใจ แต่คุณพิจารณาเห็นเองว่าจิตที่ผูกพยาบาทเหมือนเป็นโรคเหมือนมีมีดเสียบหัวใจให้ปวดเสียวได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าถอนออกเสียก็จะปลอดโปร่งโล่งอกเหมือนคนฟื้นไข้ได้ด้วยตนเองคิดเช่นนี้แล้วอภัยใจย่อมเบาจริงราวกับยกภูเขาออกจากอกปีติสุขจริงโดยไม่มีความขุ่นข้อใดคาอยู่อีกซึ่งนั่นก็เพราะคิดเองเต็มใจเอง ถ้าคุณเห็นเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนเช่นนั้นก็นัาเป็นการรู้เข้ามาที่จิตเห็นเหตุเห็นผลเห็นกลไกาการทำงานของจิตกับทั้งสามารถชั่งตวงวัดได้ด้วยว่าแบบไหนบุญใหญ่กว่ากันตัวของบุญจะตกแต่งจิตให้เป็นต่างๆในทันทีเช่นสว่างเปิดกว้างมีปิติสัน้นมีสมนัตใหญ่มีสุขเย็น ภาวะปรุงแต่งแห่งจิตเป็นสิ่งถูกรู้และถูกเทียบได้หมดว่ามากหรือน้อยยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงใดถ้าฝึกรู้ความต่างแห่งบุญที่เกิดขึ้นบ่อยๆคุณจะเลิกจดจ้องอาการหยุดกึกจะไม่มีแต่กลายเป็นความรู้สึกชินที่จะเห็นภาวะทางใจอันบันดาลขึ้นด้วยบุญเห็นทุกภาวะล้วนเกิดจากเหตุที่ต่างกัน แต่ก็เหมือนกันตรงที่ต้องสลายตัวไปหมดไม่มีเหลือครับหมดความยึดมั่นใยดีแม้ในบุญว่าเป็นของเราอย่างนี้เรียกว่าได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยแล้วก็เกิดสติปัญญาเห็นชอบประกอบไปด้วยพร้อมกันมีแต่ได้กับได้ไม่เสียอะไรสักอย่างเดียวคำถามที่สอง บางทีพอถวายสังฆทานเสร็จจะรู้สึกเสียดายก็นึกว่าอย่างนี้คงไม่ได้บุญเช่นนี้เมื่อเกิดความเสียดายควรมีท่าทีอย่างไรเปลี่ยนใจให้เป็นกุศลเสียก่อนหรือว่าดูตัวความเสียดายไปเลยดูความเสียดายสิครับยอมรับตามจริงว่าเสียดายไหนๆความเสียดายก็มาให้ดูแล้วอย่าให้มันเสียเที่ยวเปล่า หากคุณไปพยายามเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าภาวะที่เกิดจริงจะไม่ได้ดูจะได้ดูแต่เฉพาะที่เราอยากให้มันเกิดแบบนี้นานไปจะเกิดอาการติดดีจะเอาแต่ยึดว่าเราเป็นคนดีไม่ยอมรับความจริงไม่เห็นตามจริงว่าสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งใดเป็นผลถ้าความเสียดายเกิดร้อยครั้งก็แปลว่าเป็นโอกาสได้ดูสภาวะทางใจอันเป็นของจริงร้อยครั้ง ในที่สุดการเห็นครั้งที่ร้อยหรือครั้งที่พันจะทำให้ความเสียดายหายไปเองเพราะเมื่อจิตเขารู้จักภาวะเสียดายเต็มที่แล้วเขาก็ฉลาดขึ้นมาเองว่าไม่ต้องเสียดายก็ได้จะเสียดายของนอกจิตให้โง่ไปทาไมแต่หากคุณพยายามเปลี่ยนความเสียดายด้วยการแกล้งยินดีอย่างนี้กี่ร้อยกี่พันหน อย่างไรความเสียดายก็ต้องนำหน้ามาก่อนเสมอเพราะโมหะยึดมั่นว่าตัวเราเสียดายยังไม่หายไปก็จะมีอุปาทานว่าของของเราเราเป็นผู้เสียดายร่ำไปครับ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 ขอเพียงอย่าจอดเสียตั้งแต่ยังไม่ถึงอายุทยาหรื อ, อนครสวรรค์ก็แล้วกันบทความจากนิทยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่45เสียงอ่านโดยโจโฉ